ที่จะท่านจารย์ให้ข่อท่านเพิ่มเติมตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะการได้รับเฆษณาจากการเดินชมโครงการได้ดูวีดีโอของผูส้สนับสนุนนะคะน้องผูขขงงงป้ป่วยนอ้องออกป้ายเยียร์ก่อเสริมประเด็นเรื่องที่เราเพิ่งสนทนากันเมื่อสักครู่ที่ก่อนนั้น เรื่องการฟังเนี่ยมันมีผลนะในการช่วยเยียวยาผู้ป่วยได้ถ้าหากว่าฟังอย่างตั้งใจนะมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเขารู้สึกดีขึ้นยิบยิงคนหนึ่งแกเป็นมาเล็กเต้านมแล้วแกก็ ไปรับการฉายแสงไปฉีดคมีโมตามตามระบบนะนะก็ครบโรยสคบคอสแกก็ยังบ่นว่าปวดมากปวดจริงๆแต่เวลาแกเดินเหินเนี่ยหมอและพยาบาลสังเกตว่าแกเดินเหมือนคนปกติเลยวันหนึ่งพยาบาลก็เลย มานั่งคุยกับแกคุยเป็นชั่วโมงนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เป็นฝ่ายคุยเรื่องที่คุยเรื่องที่เล่าก็วนเวียนอยู่กับเรื่องสามีแล้วก็ลูกชายทั้งโกรธทั้งน้อยใจสามีและลูกชายที่ไม่ค่อยใด้สนใจเพื่อทอดทิ้งเธอนะเพยาบาลก็ไม่ไทาอะไรนอกจากนั่งฟังแล้วฟังด้วยความตั้งใจ ไม่ได้สอนไม่ได้แทรกไม่ได้ชี้แจงเลยอะไรเลยพอคุยไปจนจบเนี่ยชั่วโมงเนี่ยคนไข้เขารู้สึกได้ว่าความปวดทุเลาลงความปวดทุเลาลงแปลว่าอะไรฮะแปลว่าไ อ, ไอ้ที่โกรธเยอะๆเนี่ยไอ้ที่ปวดเยอะๆเนี่ยความปวดกายก็ส่วนเดียว อาจจะส่วนน้อยแต่ที่ปวดคือปวดใจปวดใจเพราะความโกรธแล้วพอได้พูดใจระบายและมีคนฟังเนี่ยก็จะรู้สึกว่ารู้สึกเบาขึ้นพอใจเนี่ยความโกรธทุเราลงนะไอ้ความปวดเนี่ยมันก็ทุเลาลงตามไปด้วย ตาตมาได้พูดไปแล้วว่าคนเวลาป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยแต่กายนะเขาป่วยใจความปวดก็เหมือนกันนะเจ็บปวดเนี่ยเจ็บปวดที่ว่าปวดปวดปวดเนี่ยปวดกายแค่ส่วนหนึ่งปวดใจอาจจะสองส่วนหรือสามส่วนเพราะนั้นเนี่ยบางทีการบรรเทาความปวดของคนไข้เนี่ย ไม่ได้ทำอะไรมากเพียงจะช่วยทาให้ความปวดใจทุเราหรือความทุกข์ใจทุเราเขาจะสุดดีขึ้นเรื่องใจกับความปวดนี่สัมพันธ์กันนะเขาเคยมีการทดลองพบว่าคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยเวลาโดนเข็มจิ้มเนี่ยจะรู้สึกปวดเป็นสามเท่า ของคนที่ไม่ปวดแปลว่าอะไรฮะแปลว่าความปวดเนี่ยทําให้ความแปลว่าความกลัวเนี่ยทําให้ความปวดมันเพิ่มขึ้นเป็นสองสองส่วนปวดกายส่วนหนึ่งนะอันนี้ปวดกายคนกลัวไม่กลัวนี่ก็ปวดกายเหมือนกันคือเจ็บเจ็บที่กายแต่ว่าคนกลัวเนี่ยมันทาให้ความปวดกายเนี่ยหรือความรู้สึกปวดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาได้ข้อสรุปย่างไงนะแต่ว่า มันก็สอดคล้องกับความรู้สึกของผู้คนหรือประสบการณ์ผู้คนจำนวนมากความกลัวนี่ก็เป็นความความทุกข์ใจแบบหนึ่งนะเรืยกเป็นความป่วยกายแบบนึง่งบางทีเนี่ยร่างกายไม่ได้ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยนะแต่พอใจเนี่ยปวดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้มี ทำใหร่างกายย่ำแย่ลงมีผู้หญิงคนหนึ่งแกอายุสักยี่สิบกว่าแล้วแกก็ไปหาหมอเป็นประจําเพราะว่าแกมีโรคปวดหัวปวดท้องเลื้อยหลังความดันขึ้นเป็นประจําไปหาหมอก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าหมอไม่รู้ช่วยแกยังไงเพราะว่าร่างกายแกไม่ได้ผิดปกติตรงไหน ถ้ยกเป็นเรื่องความดันขึ้นแล้วก็ไม่ก็ยังหาสาเหตุนะว่ามันดันความดันขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวทางกายเนี่ยป ก, กติหมดหมอนี่เกิดไปถอดใจอยู่แล้ววันหนึ่งหมอก็เกิดฉุกคิดขึ้นมาแกก็เลยถามคนไข้ว่าไหนคุณช่วยเล่าประวัติของคุณให้ฟังหน่อยแต่ก็เล่าแกเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็มีตั้งแต่เล็กเลยนะมีพี่สาวดูแลพี่สาวสองคน เวลาแกเล่างพี่สาวเนี่ยแกก็จะมีอาการโกรธไม่พอใจว่าคงมีเรื่องผิดใจพี่สาวพี่สาวจะคงไม่ค่อยได้ดูแลแกเท่าไหร่หมอก็เลยบอกหมอก็เลยรู้สาเหตุสิ่งที่หมอแนะนำคือว่าให้อภัยพี่สาวซะเพราะคนไข้ไม่พอใจนะแท น, นที่หมอจะให้ยาให้ ให้ยาหรือให้การรักษากลับมาแนะนำให้แกให้อภัยคนไข้ก็เลยหายไปเลยไม่มาหาหมอหนึ่งปีต่อมาหมอก็ได้จดหมายนะจากคนไข้คนนี้คนไข้บอกว่าหายแล้วเพราะทาตามที่หมอนแนะนำร่างกายก็ไม่เป็นไรนะแต่แกป่วยใจป่วยใจคืออะไรโกรธ พอกรอดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ปวดหัวปวดท้องความดันขึ้นเราถึงบอกว่าปวดกายเนี่ยไม่เท่าไรนะปวดใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่กว่าแล้วเวลาเราปวดปวดปวดกันเนี่ยนะอันนี้รวมถึงเดินมือเช้าเนี่ยไอ้ที่ทุกเนี่ยนะเป็นเพราะปวดเท้าเนี่ย อย่างมากก็หนึ่งในสามอีกสองในสามเนี่ยทุกใจนะะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันไปเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังอนี้พูดเรื่องการฟังก่อนนะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าคนไข้เนี่ยพอได้เพกพอเขาแค่ได้พูดแล้วก็มีคนฟังนะด้วยความใส่ใจเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะรับการเยียวยาอาจจะชั่วคราวแต่ว่ามันมีผล ไม่ใช่แค่เยียวยาร่างกายหรือความปวดทางกายเยอนะสามารถเยียวยาใจได้ที่เชิงใหม่เนี่ยมีผู้หญิงคนนึ่งแเป็นมะเร็งนะแล้วก็โรงพยาบาลที่รักษาเธอเนี่ยเขาก็มีโครงการหนึ่งก็คือส่งจิตอาสาเนี่ยมาเยี่ยม จิตอาสาก็มาไม่ต้องทำอะไรมากก็มาพูดมาคุยให้กำลังใจจิตอาสาที่ผู้ป่วยคนนี้ได้รับเนี่ยชื่อแก้วเธอมาเนี่ยนะแทนที่จะมาฟังผู้ป่วยนะแกกลับเป็นคนพูดอย่างเดียวเลยแกเป็นคนช่างพูดก็คุยคุยสารพัดเลยพูดถึงปัญหาของแกอะไรต่างๆมากมาย คนไข้ก็ดีนะคนเจ้าก็ฟังแล้วก็บางทีแกพูดเพอเจอร์แกหรือพูดไปไม่ตรงประเด็นคนไข้ก็ช่วยสรุปให้ <c oughs> เป็นอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่านะแกมาเพื่อที่จะหาคนฟังโดยแท้เลยหรือแกมาเพื่อที่จะพูดอย่างเดียวเลยก็คงเป็นเดือนอ่ะนะแต่คนไม่ได้มาทุกวันแกควรจะมาสักอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง แล้ววันนึงเนี่ยแกมาแกก็หน้าตายิ้มแย้มแล้วก็มาขอขอบอกขอบใจผู้ป่วยแกบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะไปหาหมอจิตแพทย์มาจิตแพทย์เนี่ยคือแกแ ก, แก็แกก็แกก็เปิดเผยว่าแกมีปัญหาทางด้านจิตก่อนที่จะมาไปจิตอาสาเนี่ยแกเคยเคยมาหาจิตแพทย์คนนี้แหละแต่จิตแพทย์คนเนี้ย ให้แต่ยาแกก็เลยไม่ไปหาเลยแล้วก็มาไปจิตสาให้กับคนที่แทนแต่คราวนี้เนี่ยพอเช้าเนี่ยไปหาจิตแพทย์คนเดิมจิตแพทย์ก็ถามทักขึ้นมาว่าคุณไปรักษาที่ไหนมาดีขึ้นเยอะเลยเธอก็บอกว่าไม่ได้ไปรักษาที่ไหนแล้วเธอรู้สึกแล้วเธอเลยรู้เลยว่าเธอดีขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรฮะ เพราะว่าคนผู้ป่วยเนี่ยนะฟังแกอผู้ป่วยจะฟังแกใช่ัหมแกมีปัญหาทางด้านจิตใจไงแล้วก็คงหาคนคุยไม่ได้นะหาคนแกก็เลยมามาคุยกับคนป่วยนะคนป่วยก็ดีตั้งใจฟังน mm hmm. ระรอกว่ากับช่วยเยียวยาแกเยียวยาแกจนจิตแพทย์เนแปลกใจก็าถามว่าคุณไปรักษาที่ไหนมา mm hmm. ไม่รักษาที่ไหนเลยฮะก็ ได้รการเยียวยาจากการที่มีคนฟังแกคนฟังนะัคือคนป่วยอย่าพี่เพ็ญมะเรงคนที่เป็นมะเรงนั่นก็ตายไปแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้เห็นไหมว่าการฟังนี่นะมันช่วยเยียวยาได้นะเยียวยาความปวดแล้วก็เยียวยาความเยียวยาปัญหาทางด้านจิตได้แล้วบางทีเราคิดว่าเราไปเยี่ยมคนป่วยนะเนี่ยคิดว่าการแนะนําของเราจะช่วยเขา หลายคนก็แนะนำปนาฏิาริย์ดีอยากให้ทาใจให้ปล่อยวางแรงต่างแต่บางทีสิ่งที่ช่วยเขาได้มากกว่าคือการฟังหรือการพยายามทำความเข้าใจเขาคนไข้เนี่ยโดยเฉพาะอาการหนักๆเนี่ยเขาต้องการคนเข้าใจเขาาต้องการเพื่อนเป็นอย่างแรกเลยส่วนคนแนะนำธรรมะเนี่ย ลองลงมานะเพราะว่าเขาเนี่ยคนไข้เนี่ยเขาปกติไม่ค่อยมีใครฟังก็หรอกเวลาหมอรักษาเนี่ยหมอก็ไม่ได้ถามเขาเลยนะว่าเขาเขาต้องการอะไรเขากลัวอะไรเขาอยากได้อะไรหมอเนี่ยเพียงแค่ดูอาการทางกายดูเอ็กซเรย์ดูผลตรวจเลือดก็ ก็ให้ยาหรือให้วิธีการรักษามันเลยแต่ไม่เคยถามว่าเขามีความทุกข์ความสุขอย่างไรเขามีความกังวลความกุ้มใจอะไรหรือแม้แต่เรื่องการรักษาเนี่ยเขาปรารถนาจะให้รักษาแบบไหนคนไข้แต่ละคนเนี่ยเขาก็มีความต้องการไม่เหมือนกันในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษานะบางคนอยากจะอยู่ เพื่อรอรับปริญญาบางคนอยากจะช่วยตัวเองได้จนเท่าที่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อยากจะเดินได้อยากจะมองเห็นนานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ทำอะไรก็ได้ขอให้ฉันได้อพอช่วยตัวเองได้นะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาของหมอเนี่ยเป็นรักษาแบบตัดเสื้อโหลนะคือ าใช้การรักษาที่มันฟิตกับทุกคนซึ่งมันไม่ได้เพราะบางคนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันการรักษาที่ดีการกษาที่เหมาะกับแต่ละคนทั้งกายใจสมัยนี้ก็รวมจิตวิญญาณด้วยก็คือตัดเสื้อให้เหมาะกับแต่ละคนนะแต่ตัดเสื้อหเหมาะกับแต่ละคนนี่ก็ต้องใช้เวลาวัดวัดแต่ละคนว่าว่าสัด ส, ส่วนเป็นอย่างไรใช่มฮะถ้า ถ้าตัดแบบเสื้อหลวก็เพียงแค่ดูว่าไซส์ S ไซส์ X ไ L ก็ตัดให้เหมือนกันหมดเฮ้ยตัดให้งนการรษาบแบบที่หมอแต่ละคนมันต้องคุยคุยกับคนไข้แต่นี้คนไข้แล้เขาเจะรู้ว่าเขาไม่ค่อยมีใครฟังเขายิ่งเริ่มจหมดสภาพแล้วเนี่ยก็มีแต่คนปรารถนาดีที่จะให้ยัดเยียดให้เขายัดเยียดโ น, น่นนี้ให้เขาเวลาคุณไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยนะ พุณงมลือนี่คุณจะคุณจะพบเลยว่าถ้าคุณฟังเขานะเขาจะมีความสุขมากเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนฟังเขาเท่าไหร่จริงๆนะยาดเยอะยา ด, ดเยอะก็ไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้คุยเขานะอันนี้อาตอมาไปเยี่ยมคนมาเยอะแล้วแล้วก็จิตอาสาที่ชบคนไข้เนี่ยชอบจิตอาสามาเพราะจิตอาสาเนี่ยฟังเขาแต่หมอและพยาบาลเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกับเขานะ หมอมาพูดก็ไปพยาบาลก็ทำหัฒการแล้วก็สั่งล่งสั่นนี่อันนี้ผู้ส่วนใหญ่นะฮะต่ถ้าพยาบาลคนไหนเนี่ยฟังคนไข้นะโอ้คนคนไข้นี่จะมีความสุขมากเลยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะฮะจิตอาสาเนี่ยอาตจมา จ, จัดอบรมประเจิต่างสงบเสร็จก็บ่ายสุดท้ายก็ให้ผู้อบรมเป็นจิตอาส า, าไปเยี่ยมคนไข้ ไปกันสองคนมีคู่หนึ่งไปเจอไปเจอคุณลุงนะแกปวดทวารมากเลยแล้วปวดจนทั้งวันแกแกร้องเลยนะแกครางลูกชายอยู่ ใ, ใกล้ก็ไม่ทำอะไรสองคนนั้นเนี่ยไปถึงก็แนะนำตัวแนะนำตัวเสร็จก็ก็ถามคุณลุงว่าคุณลุงคะที่คุณลุงว่าปวดเนี่ยปวดอย่างไรคะ โอ้คุณลุงชอบมากเลยนะมันโดนใจแกมากเลยแกบอกไม่เคยมีใครถามแกแบบนี้เลยลูกก็บอกว่าให้เข้มแข็งให้ทำใจพยาบาลหมอมาก็ให้แต่ยาแต่ไม่เคยถามความรู้สึกของแกไม่มีใครที่จะพยายามเข้าใจความปวดของแกมีแต่บอกว่าให้เข้มแข็งให้ทำใจเมื่อคนไข้เข้าอยากจะเ้าต้องการคนที่เข้าใจเขาเข้าใจสถานภาพเข้าใจความรู้สึกของเขา แล้วจะเข้าใจเข า, เขาก็ต้องเริ่มตั้งแการถามถามเสร็จก็ฟังไม่ใช่ไม่ใช่รัวด้วยคำแนะนำต่างๆคุณลุงคนนี้แกต้องการคนฟังแกคนที่เข้าใจว่าแกรู้สึกอย่างไรแกปวดปวดอย่างไรนั้นการฟังนี่สาคัญแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่ ยิ่มีความขัดแย้งกันนะยิ่งไม่ฟังกันนะอันเนี้ยตมาก็พูดต่อไปหน่อยก็คิดว่าเป็นประโยชน์เขาเคยมีการอบรมคราวนึงเกี่ยวเรื่องการแก้ไข ค, ความขัดแยง้งนะในที่ทํางานในครอบครัวหมอคนหนึงหมอชื่อหมอวิทานเสร็จแล้วก็บอกกับผู้เข้าอบรมว่าใครตอนนี้มีความขัดแย้งกันบ้างขอเชิญมาสาธิต สักหน่อยก็มีสองคนนะเสนอตัวคนหนึ่งเป็นทันตแพทย์ผู้หญิงอนะคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยคนที่เป็นผู้ชายก็ให้มันนั่งอยู่ข้างข้างหน้าแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยเล่าให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังว่าไม่พอใจอีกฝ่ายหนึ่งเรื่องอะไรมีกติ ก, กาว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งพูดอีกฝ่ายหนึ่งฟัง ห้ามซักห้ามแยง้งห้ามห้ามขัดให้เวลาประมาณสักห้านาทีเมื่อพูดจบก็ให้อีกฝ่ายเนี้ยผู้ฟังเนี่ยสรุปว่าเมื่อกี้ได้ยินมาว่าอย่างไรถ้าสรุปถูกผู้พูดก็จะพยักหน้าก็แปลว่าอา้าวจับประเด็นถูกถ้าสรุปไม่ถูกก็ต้อง สรุปใหม่ผู้ช่วยเป็นผู้เริ่มก่อนผู้ชายนะแกก็เล่าว่าไม่พอใจหมอฟังเรื่องอะไรเล่าจบหมอฟังแกหมอฟังแกก็สรุปว่าเนี่ยที่ที่คุณไม่พอใจฉันเนี่ยไม่พอใจเรื่องนี้ใช่ไหมก็เล่าสรุปจากที่ได้ยินมาเมื่อสักครู่เนี่ยสรุปถูกนะ ผู้ช่วยก็พยักหน้าว่าถูกต้องแล้วอ้าวก็สลับกันคราวนี้ทันตแพทย์เป็นผู้พูดผู้ช่วยเป็นผู้ฟังทันตแพทย์พูดจบให้ผู้ฟังผู้ช่วยสรุปสรุปไม่ถูกนะผิดอ้าวก็แกก็เล่าใหม่เล่าเหมือนเดิมอะ พูดจบก็ให้ผู้ช่วยสรุปว่าเมื่อกี้ได้ยินมาว่ายังไงก็ผิดอีกธนแพทย์เนี่ยต้องเล่าถึงสามครั้งครั้งที่สามเนี่ยผู้ช่วยสรุปทูกนะแต่แล้วก็มีการมามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันจากประสบการณ์เมื่อสักครู่ธนแพทย์ก็บอกว่าได้ฟังจากผู้ช่วยพูดแล้วเนี่ยก็ก็เข้าใจ แล้วก็ก็คิดว่าเนี่ยถ้าเขาเป็นผู้ช่วยก็คงจะรู้สึกแบบเดียวกันนะแกเริ่มเข้าใจแล้วนะเข้าใจความรู้สึกหรือเหตุผลของของผู้ช่วยนะอันนี้หมอวิทางก็ซักถามผู้ช่วยเนี่ยซึ่งสรุปสามครั้งเนี่ยไม่ถูกถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแกก็ตอบดีแกก็ตอบเปิดเผยนะบอกว่าไอตอนที่ฟังสองครั้งแรกเนี่ยนะ คิดแต่จะเถียงคิดแต่จะเชิหมอฟันว่าเนี่ยว่าเข้าใจไม่ถูกใจแกไม่ได้ฟังดูเหมือนฟังแต่ไม่ได้ฟังเพราะคิดแต่จะเถียงสมองจิตเนี่ยมันก็คือจิตที่ไม่ว่างถ้าเป็นน้ำถ้าเป็นแก้วน้ำก็คือแก้วน้ำที่มันมันมีน้ำเต็มเติมน้ำลงไปมันก็ล้นคือพอใจเนี่ยคิดแต่จะเถียงไง มันก็ไม่ได้ฟังอ่ะแล้วบางครั้งคู่ขัดแจ้งเป็นอย่างนี้นะสามีกับภรรยาพ่อแม่กับลูกหรือว่าเพื่อโรมงานดูเหมือนฟังแต่ไม่ได้ฟังหรอกเพราะใจไม่ได้ใจไม่ได้ฟังจริงจังใจคิดแต่จะเถียงคิดแต่จะแก้ตัวอ่อคราวนี้เนี่ยกลับมาที่ ที่รายการกลับมาที่กรณีของสุภาพร์น ะ, ะกรณีสุภาพรณ์ก็น่ามาสนใจนะแกเป็นคนที่รู้ว่าทำอะไรอยู่คือแกแกไม่เชื่อเรื่องการรักษาแบบแผนใหม่ นะเมื่อเป็นมะเร็งเนี่ยก็พยายามใช้วิธีการแบบทางเลือกเนะพราะเธอคิดว่าปัญหาที่ทําให้เธอเป็นมะเร็งเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายจิตด้วยเรื่องจิตก็สําคัญเจ้าวเธอบอกว่าก่อนที่จะเป็นมะเร็งที่เต้านมเนี่ยมันเกิดมะเร็งที่จิตใจก่อนมะเร็งอารมณ์เธอใช้วคำมะเร็งอารมณ์ มันเกิดมะเร็งอารมณ์ขึ้นมาก่อนมันก็เลยเกิดมะเร็งที่เต้านมเธอก็พยายามที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจเรื่องความเครียดเรื่องการปล่อยวางสนใจหันกลับมาทำสมาธิการการาทำโยคะรวมทั้งการดูแลสุขภาพโดยการกินอาหารธรรมชาติ ซึ่งมันช่วยทำให้ชีวิตเธอคุณภาพชีวิตเธอดีขึ้นนะเธอเป็นมะเร็ง11ปีนะะตั้งแต่ตอนที่พบครั้งแรกประมาณปี35แล้วประสบการณ์ของเธอเนี่ยในเรื่องการเป็นมะเร็งเนี่ยเธอเขียนเอาไว้เป็นหนังสือซึ่งเขียนได้ดีมากนะแล้วก็ แต่ว่าเมื่อมะเร็งนี่มะเร็งมก็มัน ก, มนก็มันก็หายไปอยู่พักหนึ่งนะโดยที่ไม่ได้ใช้การรักษาทางการแพทย์แผนใหม่เลยไม่ได้ผ่าไม่ได้ทั้งสิ้นเสร็จ แ, แล้วก็สามสี่ปีแล้วมันก็มันก็ขึ้นมาเธอก็ก็ทำใจนะว่าขึ้นมาแล้วครังนี้อาจจะอาจจะรักษาไม่ได้แล้วเธอก็คิดว่าถ้าเกิดว่าจะต้องตายเนี่ย เธอเธออยากจะตายที่ไหนเธอก็ตัดสินว่าจะตายที่บ้านคือไม่คิดว่าจะตายนะแต่ว่าถ้าตายก็ขอตายที่บ้านแล้วเธอก็เริ่มที่จะเตรียมตัวกลับไปที่บ้านเธอเธอปกติทำงานกรุงเทพต่อหลังย้ายกลับไปที่บ้านแล้วก็พยายามตกแต่งบ้านเพื่อจะได้เป็นที่ที่จะเป็นเรือนตายของเธอ ไปปลูกสวนนะหน้าบ้านปรับปรุงบ้านเพื่อว่าถ้าเธอป่วยหนักเธอจะนอนที่ไหนเธอก็เลือกที่จะนอนนะข้างๆหน้าต่างเพื่อที่จะมองไปแล้วเห็นสวนแลวพอเธอล้มป่วยมากเข้าเนเธอก็ นอนติดเตียงแล้วประมาณหลายเดือนสุดท้ายเนี่ยหลวงพ่อของอาต ม, มามาเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียน ม, มาเยี่ยมประมาณเดือนสุดท้ายที่บ้านของเธอหลวงพ่อก็พูดว่าเออบ้านเธอนี่หน้าตายนะอนตาตมาก็ฉุกคิดขึ้นมานะเออคนเราเนี่ยชอบคิดแต่สร้างบ้านให้น่าอยู่แต่กี่คนที่คิดจะสร้างบ้านให้มันหน้าตายบ้าง ทังที่หลายคนเนี่ยอยากจะตายที่บ้านนะถ้าถามนะแต่ไม่เคยคิดที่จะสร้างบ้านให้มันหน้าตายเลยนะคิดแต่สร้างบ้านให้หน้าอยู่นะอันนี้ก็ก็เหมือนกับว่าจะเป็นความประมาทหรือเปล่านะในเมื่ออยากจะตายที่บ้านแต่ว่าไม่คิดจะสร้างบ้านให้มันหน้าตายเลยนะคิดแต่สร้างบ้านให้หน้าอยู่แล้วถึงเวลาตายก็กลายเป็นว่าต้องไปตายที่โรงพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็น สถานที่ที่ตัวเองอยากจะฝากฝังวรรคสุดท้ายไปที่นั่นเวพรสุภาพรเนี่ยเธอก็คิดนะเธอก็พยายามที่จะศึกษาหาความรู้นะว่าอาการของเธอเนี่ยถ้าหากว่ามันถึงสุดท้ายมันจะมีพัฒนาการอย่างไรเธอก็จะดู ศึกษากับหมอหมอก็ดีนะมาเยี่ยมเธอถึงบ้านเธอไม่ต้องการอะไรนะแค่ออกซิเจนยาระงับปวดเนี่ยเธอก็ใช้น้อยมากจนหมอแปลกใจเพราะเธอใช้สมาธิเมื่อการเธอลุกลามมากขึ้นเธอก็ถามหมอว่าการเธอจะเป็นอย่างไรจุดหนึ่งหมอก็จะบอกว่าการหายใจการหายใจของเธอจะลำบาก เมื่อสิ้นจุนกายหาย ใ, ใลำบากเธอเนี่ยเป็นคนที่ถนัดทำอนาปานาสติเมื่อหายใจลําบากจะทําอย่างไรเธอก็นึกถึงการถอาานรูปแบบอื่นก็มาปรึกษาตามาตามาก็แนะนําไปนะเรื่องการเรื่องการดูจิตบ้างเรื่องการใช้นิมิตบ้างเพื่อเป็นเพื่อเป็นอารมณ์ภาวานาคือเธอเนี่ยเตรียมเตรียมตลอดเลยนะคุยกัหมอ ก็ได้ได้พบว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยกรณีแบบเธอเนี่ยอาจจะพูดไม่ได้เธอก็นึกถึงว่าจะสื่อสารกันอย่างไรสื่อสารโดยไม่ใช่คำพูดนะก็คุยกับเพื่อนนะคุยกับจอนคุยกับสุรพีเนะี่ยก็เลยคิดขึ้นมาว่าเนี่ยต่อไปแท่สื่อสารกับสื่อสารกันเนี่ย ถ้ายังพอรู้สึกตัวแต่พูดไม่ค่อยได้เนี่ยก็ต้องใช้ใช้ชาร์ตเนี่ยที่จะเขียนข้อความว่าเนี่ยเช่นเขียนว่าคันปวดผิวน้ําอะไรเนี่ยเขียนไว้ในในในใ น, ในชาร์ตแผ่นใหญ่ๆ ใ, ใหญ่กว่านี้นะเพื่อว่าเวลาเธอจ้องมองเนี่ยคนก็จะรู้ว่าเธอต้องการอะไรหรือเธอกําลังเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่ฉันได้ใช้นะพอเธอ พอเธอพูดไม่พอพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอแรกเธอพูดเริ่มพูดไม่ได้แล้วแต่มันไม่นานเธอก็ไม่รู้สึกตัวแล้วแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอยู่ประมาณสองสมวันก็นไปประเด็นคือว่าเธอพยายามที่จะจะศึกษาว่าอาการเธอเนี่ยมันจะพัฒนาไปถึงไหนบ้างและเธอจะรับมือกับมันได้อย่างไร อันนี้เราเป็นเรื่องการเตรียมตัวนะเตรียมใจเธอก็เตรียมมากเธอเคลียร์หลายหลเรื่องเรื่องเรื่องที่ทาเรื่องที่ปกปิดความจริงไม่ให้แม่รับรู้แม่นี่รู้คนลูกคนไทยนะเธอป่วยมาเป็นมะเร็งสิบกว่าปีเนี่ยพอมาสิบปีแรกนี่แม่ไม่รู้เลยนะเธอไม่กล้าบอกแม่เพราะกลัวแม่ถ้ารู้เนี่ยแม่จะบังคับให้เธอไปรักษาในโรงพยาบาลซึ่งเธอไม่เอา แต่สุดท้ายเนี่ยพอแม่รู้แม่ก็แม่ก็สับสนเธอเต็มที่เธอก็ดีใจมากที่แม่เข้าใจในการเลือกวิธีการรักษาของเธอและแม่เธอนี่เรียกว่าซัพพอร์ตดีมากถึงแม้ว่าแม่อาจจะไม่ได้เห็นเหมือนกับเธอแต่ว่าเมื่อลูกเลืองแบบ น, นี้แม่ก็ทําเต็มที่เธอก็ รู้สึกว่าโล่ง อ, อกนะที่ได้บอกความจริงกับแม่สักทีแล้วก็ขอโทษขอโพยแม่เธอเธอบอกว่าเนี่ยในตอน ท, ท้ายเนี่ยอย่างที่เธอพูดไวในในวิดีโอว่าส3สปีสุดท้ายเป็นช่วงที่เธอมีความสุขมากซึ่งมันเชื่อเห็นเลยนะว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ไอยู่ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือพื่าคืออยู่ที่ใจเรา ตอนที่เธอไม่ป่วยเนี่ยเธอมีทุกมากกว่าตอนที่เธอป่วยแล้วสิเนะ <pe> er> พราะเมื่อเธอป่วยแล้วเนี่ยเธอได้เรียนรู้การวางใจเรียนรู้เรื่องการปล่อยวางตอนท้ทายๆเนี่ยตอนที่แกถ้าแกเสียชีวิตเนี่ยเธอก็บอกปล่อยปล่อยได้หลายเรื่องแล้วตอนนี้โทสกกนนนนโะก็น้อยลงแล้วตอนนี้ตอนนี้โลภ ก, ก็น้อยลงแล้วโทสะก็น้อยลงแล้วเหลือแต่ความหลงนะ แล้วแต่โมหะนะโมหะคือความยึดถือในตัวตนแต่เธอก็ปล่อยวางเยอะนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรื่องทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เรื่องความรู้สึกผิดติดค้างใจแม้กระทั่งความรู้สึกหวงแหนในในตัวตนเนี่ยเธอก็ปล่อยเยอะเธอเป็นคนรักสวยรักงามนะแต่ว่าตอนช้ยทายเนี่ยเธอเธอปล่อยเลยนะเธอตั้งใจจะให้ร่างกายเธอเนี่ยเป็น เรียกว่าอุปกรณ์สอนธรรมะเธอจะไม่หวงแหนไม่ไม่ไม่ปิดบังไอ้แผลที่เกิดขึ้นกับเธอเลยนะใครมาเยี่ยมก็เธอก็พร้อมจะโชว์ให้ดูว่าเนี่ยไอ้แผลที่ต้อนวมเธอเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนเนี่ยมันไม่สวยไม่งามแต่เธอก็ไม่ไม่รังเกียจเธออยากจะให้คนได้พิจารณาสังขารของเธอ ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะหรือว่าพิจารสังขารเธอว่าเป็นอสุภะอย่างไรบ้างหลายคนเนี่ยเวลาตายอยากจะอยากจะ ต, ตายให้สดสวยนะทั้งที่ตายไปแล้วเนี่ยสวยไม่สวยแล้วก็ไม่รู้เลยใช่ไหมแต่อวยพรเนี่ยนะยสุภาพรเธอปล่อยวางแม้กระทั่งว่าความอยากความยึดติดในร่างในในร่างกายอยากให้มันสวยอยากให้มันงามเธอก็ปล่อย ปล่อยในะ่ไม่ได้ปล่อยตัวป ล, ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะหมายถึงว่าเธอไม่ได้เธอไม่ได้คิดว่าไม่รู้สึกอับอายในการที่จะให้คนได้มาเห็นแผลที่เกิดกับเธอถือว่าเป็นการเจริญอสุาพาะแบบหนึ่งนะอาตมาก็ถือว่านี่ก็เป็นการปล่อยวางอย่างหนึ่งนะแล้วก็เธอตอนที่ป่วยนะเธอก็มีอารมณ์ขันเยอะนะ มียังยังมีอารมณ์หยอกล้อคนอาจจะมาไปเยี่ยมเธอก็ยังสึกเออถ้าเราทำได้แบบเธอก็ดีเหมือนกันนะยังมีอารมณ์ขันนแต่สิ่งที่เธอต้องการคือความสงบเธอเป็นคนที่เพื่อนเยอะนะแล้วในรอยเฮเลนเนี่ยการที่ค น, นี่มีเพื่อนมาสี่ห้าคนมาดูแลยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเป็น เป็นโชคเป็นอภิสิทธิ์มากเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญนะมันเกิดขึ้นจากการที่เธอเป็นคนเอื้อเฟื้ออัตมาก็ยังพูดกับเธอนะก็เราก็พูดด้วยความจริงใจที่ ว, ว่าเนี่ยถ้าอัตมาป่วยแล้วมีเพื่อนมาดูแลแบบนี้นี่อัตมานี่โชคดีมากเลยแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเพื่อนมาดูแลอัตมามากถ้าถึงคราวตัวเองนะตธอมีเพื่อนเยอะมากนะเรียกว่าทุ่มเทให้กับเธอเนี่ยแต่ข้อเสียคือว่าไอคนมีเพื่อนเยอะเนี่ย นะเวลาป่วยเนี่ยคนก็จะหลังหล่งไหลมาเหมือนกับยอดรักษาใจเชตา ม, มาเล่าเมาื่อวานะแฟนเพลงเยอะโอ้หาความสงบไม่ได้เลยเธอก็รู้นะเธอทำยังไงนะกำแพงสามชั้นเลยนะเพื่อนที่ห่างๆ ห, หน่อยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอเลือกรักษาตัวแบบนี้เนี่ยก็ให้อยู่หน้าบ้านหน้าประตูรั้วถ้าที่สนหน่อยก็เข้ามาอย่าง อย่างบัวลอยเนี่ยที่ที่ตีขิมอะนะตีคิมเนี่ยก็เข้ามาได้แค่นั้นนะก็คือว่าอยู่หน้าอยู่หน้าห้องเข้ามาไม่ได้นะเฉพาะไม่กี่คนที่เข้ามาได้ที่เข้าใจเข้าใจการตัดสินของเธอเธอไม่อยาให้ใครมารอม้รองห่มร้องไห้ข้างเตียงเธออาจะมาโชคดีที่เธออนุญาตเข้ามาถึงข้างเตียงแทนที่จะอยู่แค่หน้าห้องไง ก็เนี่ยมันช่วยทำให้บรรยากาศสงบเนี่ยเกิดขึ้นได้นะซึ่งก็ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็ไม่แน่ว่าเธอจะทำได้แบบนั้นนะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยการที่จะมีการกรองขนาดนี้เนี่ยคงยากยารักษาใจก็ปวดหัวเรื่องนี้เหมือนกันตรงทั่งหมอยต้องขอร้อง อ, อันนี้ก็ก็เป็นก็เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอ นะที่เราได้ดูมาวามนันนี้ถอยไปถึงตอนเช้านะเป็นยังไงบ้างนะทุกไหมที่ฝึกนี่ให้เราฝึกนะฝึกเจรนสติอย่างที่ธาร ม, มาบอก็คือว่าเมื่อเดินก็ให้รู้ว่าเดินนะเมื่อใจใจลอยฟุ้งซ่านก็ให้รู้นะสติประจานสีเนี่ยมันก็มีอยู่นะก็คือ รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะหรือเรียกเต็มด้วยว่ากายรู้ปัฏนาสิระฐานเวทนารู้ปัฏนาสิระฐานจิตารู้ปัฏนาสิบปฐานแล้วก็ธรรมรู้ปัฏนาสิระฐานเรียกง่ายๆสั้นๆว่าดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนะแต่ว่าเอาแค่ดูกายก็ดูใจนะเอาย่ อ, ยอๆแค่นี้ก็พอ แต่ว่าเวลาเดินเนี่ยเมื่อเดินทั้งเปล่าเนี่ยมันจะเกิดเวทนาขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะทุกขเวทนาเวลาเดินแล้วเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาที่เท้าเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้ทันนะว่าจิตเนี่ยมันเกิดอาการอย่างไรจิตมันบน่นจิตมันตีโพตีพาจิตมันอดโอยจิตมันเกิดโทสะไอตรงนี้แหละที่ทําให้ทุกข์มากขึ้นทําให้ทุกขใจทุกกายไม่เท่าไร่ปวดกายไม่เท่าไหร่ ปวดใจดังหากที่น่ากลัวกว่าแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยปล่อยให้ปวดใจเพราะว่าไม่มีสติดูใจว่าตอนนั้นใจมันทุกข์ใจมันปวดอย่างไรบ้างมันน่าคิดนะว่าทาไมปวดทิ่มเท้าแต่ทำไมใจปวดปวดมันมันทิ่มใจหรือเปล่าปวดทิ่มใจไหมไม่ทิ่มใจจะทําไมใจปวดนะ เราปล่อยให้ปวดมันทิ่มใจไม่มีสติเวลาเดินเนี่ยให้เราให้เราสังเกตดูเวลาเท้าเหยียบปวดเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นที่ใจถ้าเราดูตรงนั้นเนี่ยมันจะช่วยถ้าเราดูอย่างมีสตินะจะทำให้ใจใสงบเป็นปกติมันจะเหลือแต่ความปวดที่เท้าแต่ใจไม่ปวดเพราะใจเป็นปกติ และความทุกข์มันจะลดลงไปเยอะนะถ้าคุณรักษาใจไม่ให้ปวดนะความความทุกข์ที่มีร้อยส่วนเนี่ยอาจจะเหลือแค่สามสิบนะเพราะว่าไอ้เจ็ดสิบหรือหกสิบกว่าเนี่ยมันเกิดจากความปวดใจแต่เมื่อดูแลใจด้วยสติไม่ให้ปวดแล้วนะมันก็จะหายไปเ0็สเอร์ซน่นนะมันจะเหลือแค่สามสิบ ที่ใจจะฝึกพวกเราคือฝึกให้เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่กับเวทนาทำไงจะอยู่กับเวทนาได้โดยใจไม่ทุกนะเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถจะหนีทุกขเวทนาไปได้ตลอดนะวันนี้อาจจะหนีพ้นนะเดิน เดินบนกลรวก็ใส่รองเท้าแดดร้อนก็หลบมาอยู่ห้องแอร์แต่ว่ามันก็จะมีหลายครั้งที่เราหนีไม่พ้นถ้าเราหนีไม่พ้นเนี่ยเราจะปล่อยให้ทุกกายทุกใจไหมใช่ไหทุกกายแต่ไม่ทุกใจนี่ทำได้ไหมอันนี้ก็ตอนฝึกตอนเช้าเานี่ก็เป็ น, เ ป, นเป็นวิธีการเป็นการทดลองแบบหนึ่งที่อยากจะให้เราได้เรียนรู้ ว่าทันยังไงนะปวดแต่เท้านะใจไม่ปวดนะก็คือให้มีสติดูใจรู้ทันใจเมื่อเกิดความเมื่อใจมันบน่นโวยวายตีโพธพายแล้วต่อไปเนี่ยนะถ้าคุณรู้ทันจิตนะต่อไปก็จะมาดูเวทนาได้ง่ายขึ้น ตอนนี้ยังไม่ไมแนะนําให้ไปดูเวทนาให้แค่ดูใจก่อนอันนี้เป็นหลักการปฏิบัตินะเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยก็เห็นใจที่กระเพื่อมนะไม่ว่ากระเพื่อมขึ้นหรือกระเพื่อมลงเมื่อหูได้ยินเสียงผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะรู้ก็จะเห็นใจสุขหรือทุกข์แต่ถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีสตินะ เมื่อตาเห็นรูปจิตก็ไปพุ่งที่รูปใจก็ไม่มีอะไรปกปักรักษาก็โดนความทุกข์เข้าไปเล่นงานนะฮะสติเป็นเครื่องรักษาใจไม่ให้ทุกข์เนี่ยเข้ามาเล่นงานแต่ทุกข์เนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นได้เมื่อใจไม่มีสติเมื่อตากระทบรูปหูได้ยินเสียงนะแล้วเกิดการปรุงแต่งนะพอใจไม่พอใจยินดียินร้าย ไอพอใจก็ไม่เป็นไรยินดีก็ไม่เป็นไรแต่ ย, ยินร้ายหรือว่าไม่พอใจเนี่ยที่หลายคนสัวมันคือทุกคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะคือตาเห็นรูปเนี่ยก็ไม่เห็นใจที่กระเพื่อมเมื่อหูได้ยินเสียงหรือว่าเมื่อเสียงกระทบหูเนี่ยก็ไม่เห็นใจไม่รู้ว่าใจกระเพื่อมอย่างไรนะเมื่อเท้าเหยียบกรวด มันก็ไปเพ่งอยู่ที่ความความปวดไม่กลับมาดูใจอย่างที่คุณหมอเวลาจะพูดมาชาเนี่ยก็เหมือนกับเรือรั่วเนี่ยเรือรั่วเนี่ยถ้าไปนั่งอยู่ตรงเรือรั่วที่หัวเรือเนี่ยแล้วไปนั่งตรงหัวเรือเนี่ยมันก็หนักมันก็ทําให้นอกจากใจชัญยาลําบากแล้วเนี่ยไมีแต่ทําให้แย่ลงนะเรือรั่วที่หัวเรือก็ต้องไปนั่งที่หางเรือนะหรือท้ายเรือ ก็คือว่าเมื่อเท้าเหยียบปวดก็ก็ให้มาดูใจว่าใจมันรู้สึกอย่างไรนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจก็ไม่ก็ไม่ทันนะพอเกิดเวทนาขึ้นก็ปล่อยให้เวทนานี้มันดูดจริงๆเนี่ยเมื่อมีทุก์เนี่ยนะสิ่งที่ควรทําคือเห็นทุกไม่ใช่เป็นทุกเมื่อมีความปวดสิ่งที่ควรทําคือเห็นความปวดไม่ใช่ผู้ปวด เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นความโกรธไม่ใช่ผู้โกรธแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแทนที่จะเห็นนะเข้าไปเป็นเลยเห็นความมีความปวดเกิดขึ้นก็เป็นผู้ปวดความโกรธเกิดขึ้นก็เป็นผู้ปวดอันนี้เรีเรยกอีกอย่างก็คือยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันเกิดการยึดเป็นตัวเราของเราขึ้นมาให้ลองฝึกดูนะ ว่าเออทํำยังไงเนี่ยกายปวดใจไม่ปวดนะคุณหมอมาาเมื่อเมื่อเช้าพูว่าเนี่ยเหมือนกับมือกัไอ้ไม้ที่มันชื้นแล้วมันถูกไฟเผาเนี่ยมันบิดมันเบี้ยวเวลาเราเห็นไม้ที่มันถูกไฟเผาไหม้เนี่ยเราทุกไหมเราปวดไหมไม่ปวดเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เราใช่ไหมไอ้กายนี่ก็เหมือนกันนะเท้านี่ก็เหมือนกันนะมันเจ็บเนี่ย ถ้าลองลองเห็นว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยก็ไม่ทุกแต่เราไปเผอยึดว่าเป็นเราทุกทีหรือไม่ก็ไปย่ดเป็นของเราให้ลองลองลองสิ่งที่มันจะช่วยทำให้ช่วยทาให้ใจไม่ทุกไปกับกายก็คือว่าการที่มีสติ หรือว่าดีขึ้นไปก่อนน้นคือมีปัญญาเห็นว่าไอท้ที่ไอท้ที่ไอ้ที่ปวดเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสักแต่ว่ากายนะแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหลวงปู่บุทดาเนี่ยท่านเคยไปหลวงปู่บุดดาท่านมรณภาพไป20ปีแล้วน ะ, ะเรื่องนี้คงประมาณสักสี่สิปีแล้วมั้ง ถ้าไปพาเอานิ้วในไตออกทำไมต้องผ่านะผ่าเสร็จจิตห้าทีท่านก็บอกว่าท่านก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรแล้วค่างชั่วแล้วคือท่านจะกลับบ้านลัสิงบุรีหมอก็ตกใจว่าหลวงปู่ไม่ปวดเลยคนที่ผ่าผ่าเล็กกว่าท่านเนี่ยยังยังบอกว่าปวดเลยหลวงปู่ไม่ปวดเหรอหลวงปู่บอกปวดสิทำไมไม่ปวดร่างกายฉันก็เหมือนคนทั่วไปแหละแต่ใจมันไม่ได้ปวดด้วย อย่ามาปนกันหลวงปู่ใจท่านไม่ปวดเพราะท่านเห็นว่าไอ้ที่ปวดเนี่ยมันก็คือกายไม่ใช่กูนะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เห็นว่ากายปวดนะแต่เห็นว่ากูปวดไม่ได้เห็นว่คือรู้สึกว่ากูปวดใจมันก็เลยปวดตามกายปวดถ้าใจไม่ปวดเนี่ยมันมันไหวนะ อย่างหลวงปู่กุฎาเนี่ยท่านปวดแต่กายใจถ้าไม่ปวดท่านก็กลับวัดได้แต่ว่าไอ้ที่ทนกันไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กายปวดนะแต่ว่าใจมันปวดด้วยมันมีความรู้สึกว่ามีเป็นกูปวดกูปวดนั้นที่ที่อยากให้เราลองฝึกเนี่ยคืออันนี้แหละ ก็ฝึกว่าทำไงนะกายปวดแต่ใจไม่ปวดด้วยการอาศัยสติเนี่ยเข้ามาดูใจนะความปวดกายบางบางทีก็ห้ามไม่ได้นะแต่ปวดแต่ปวดใจเนี่ยสามารถระ ง, งับได้เหมือนกับตอนที่เรานั่งเรียนเรานั่งเนี่ยเราปวดเราเมื่อยเนี่ยปวดแต่กายเนี่ยอาจจะหนีไม่พ้นนะปวดกายหนีไม่พ้นแต่ว่า ใจเนี่ยเราสามารถจะใช้สติเพื่อรักษาไม่ให้ปวดได้อันนี้ก็เลยอยากจะชวนพวกเราลองปฏิบัติดูนะแต่ว่าอาจจะอาจจะเป็นการปฏิบัติที่พวกเราจะไม่คุ้นนะเพราะพวกเราส่วนใหญ่ก็คุ้นกับการปฏิบัติในที่ที่มันสงบนะ การเดินจงกรมที่ตมาภาทันเนี่ยไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้มุ่งให้ใจสงบนะแต่มุ่งให้ได้ได้เห็นทุกมุ่งให้เจอทุกแล้วก็เห็นทุกแต่ไม่เป็นผู้ทุกนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะจะเป็นประโยชน์สำหรับเราในวันข้างหน้า